มันไม่มีอะไรแน่นอนทุกทุกอย่างและมันไม่มีอะไร ย, ยั่งยืนทุกทุกอย่า ง, างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปที่เหลือเวลาไม่นานเท่าไหร่สักวันเมื่อฉันจากไปเธอจะเข้าใจ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 ที่เหลือเวลาไม่นานเท่าไรสักวันเมื่อฉันจากไปเธอจะเข้าใจทุกอย่าง